ไตรภูมิโลกวิธีทำให้วนเวียนของสมุทยคือสร้างวงกลมใหญ่กลางเมืองจิตตนครกล่าวได้ว่า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 ตกต่ำนานานาชนิดภูมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศต่างๆเป็นบุคคลชั้นต่างๆมีหน้าที่ต่างๆพากันสร้างบ้านเรือนถนนหนทางปราสาท ร, ราชวังวัดวาอารามและสิ่งของเครื่องใช้หลายหลากมากมายมีภูมิประเทศที่สวยงามโดยธรรมชาติและโดยตกแต่งเป็นสวนเป็นสะเป็นนางเก็บน้ำหืมมา และอื่นๆมากมายเหลือที่จะพรรณน า, นาที่ยิ่งกว่าภูมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ชั้นกามาวจรที่เรียกว่าเทวโลกและชั้นรูปาวจรอรูปาวจรที่เรียกว่าพรหมโลกล้วนแล้วไปด้วยของทิพย์อันแสนที่จะละเอียดพระนีษ ช, ชนิดที่ไม่อาจจะนำสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ภูมิประเทศในสวรรค์ ก็สวยสดงดงามโปร่งน่ารื่นรมยินดีนี่ที่พยวิมาณสถิตยอยู่ในที่อันเหมาะสมวิจิตรการตาเป็นที่ตรึงตาตรึงใจและละเอียดประณีต ก, กว่ากันขึ้นไปเป็นชั้นๆรวมเข้าก็เป็นไตรภูมิคือกามาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในกามรูปาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในรูป อรูปาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในอรูปทํานองที่มีพรรณนาไว้ในไตรภูมิพ ร, ร่วงและใน45รรษาของพระพุทธเจ้านั่นแหละสมุทยได้สร้างไว้ครบทุกภูมิและได้สร้างสัตว์โลกประจำภูมิต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนในนรกก็มีสัตว์นรกชนิดต่างๆในคุมต่างๆเต้นต่างๆของนรกนับไม่ถ้วนในกาเนิดเทระฉาน ก็มีสัตว์ิระฉานนับไม่ถ้วนในถิ่นเปรตถิ่นอสุรกายถิ่นผีที่ต่ำต้อยต่างๆก็มากมายนับไม่ถ้วนเหมือนกันจนถึงผลัดเข้าในแดมมนุษย์ที่เอาแสดงตนขอส่วนบุญหรือที่พวกมนุษย์พากันกล่าวหาว่าผีหลอกทั้งที่น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกมีเป็นอันมากในมนุษย์เองก็มีมนุษย์เกิดมามากมาย จนเกิดมีปัญหาพูดกันในหมู่มนุษย์ว่าจะล้นที่บ้างจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงกันบ้างเมื่อก่อนนี้จำนวนมนุษย์มีน้อยเดี๋ยวนี้มากวิญญาณมาจากไหนกันวิญญาณเพิ่มขึ้นได้หรือดังนี้เป็นต้นในถินสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็มีเทพพายดาพรหมแต่ละชั้นบางท่านแถมมานเขาว่า เทวดามารพรมดังที่กล่าวแล้วว่าพยามานั้นครองอยู่ในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นถิ่นเทพชั้นสูงสุดเป็นพยาที่ครองอยู่กึงงกก่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งมีอีกพยาหนึ่งครองอยู่นับว่าแปลกแต่ถ้าคิดดูทำนองเป็นปริศนาธรรมก็ไม่แปลกมีเหตุผลภูมิโลกทั้งหมดนี้มารครองใจอยู่ทั้งหมด จึงกำหนดให้พญามานสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่จะดูแลลงมาและขึ้นไปได้ทั่วถึงชั้นที่มาสถิตนั้นนับว่ากึ่งกลางส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นนับถือพระบรมครูสมุทัยได้สร้างไตรภูมิโลกดังกล่าวภายในวงกลมใหญ่มืึงมมากลางเมืองจินตนครเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบที่เส้นทางรอบวงกลม เรียกให้ทันสมัยได้ว่าเป็นการแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลกที่ไม่มีใครจะแสดงได้เสมอเหมือนแม้สมุทรไทยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงไรเพื่อหลอกให้ชาวจิตตนครวนเวียนไม่อาจหลุดพ้นจากอำนาจของตนได้แต่พระบรมครูก็ทรงเห็นวงเวียนนั้นละเอียดถี่ท้วนโดยตลอดด้วยพุทธจักสุหรือปัญญาจักสุ ทังยังได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก่เวนยนิกรบรรดาผู้ไม่ปรารถนาจะวนเวียนอยู่ตามประสงค์ของสมุไทยก็ต้องศึกษาให้เข้าใจตามที่พระบรมครูทรงแสดงไว้นั่นแหละจึงจะสามารถพ้นจากอำนาจของสมุทไทยได้โดยลำดับนายช่างผู้ออกแบบและสร้างไตรภูมิสมุไทยสามารถจัดแสดงได้ เพราะมีนายช่างผู้สร้างซึ่งมีความสามารถสร้างได้อย่างวิเศษนายช่างผู้นี้มีชื่อสั้นว่ากัมเป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกทั้งหมดแต่การเป็นผู้สร้างขึ้นตามแบบแปลนแผนผังที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้นนายช่างผู้เขียนแปลนแผนผังนี้มีชื่อว่ากิเลสเป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมด แล้วกรรมก็เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกขึ้นกิเลสและกรรมทั้งสองนี้เป็นนายช่างคู่สาคัญที่สุดของสมุ ท, ทยัยซึ่งร่วมกันสร้างวงเวียนกลมใหญ่และไตรภูมิโลกเรียงรายอยู่ในวงเวียนกลมใหญ่นี้สมุ ท, ทยได้ปกปิดความจริงในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อาจปกปิดองค์พระบรมครูได้พระองค์ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่าไตรภูมิโลกนี้คือ วิบากถึงจะมีมากมายก็รวมอยู่ในคําว่าวิบากคําเดียวรวมกับนายช่างผู้เขียนแบบและผู้สร้างก็เป็น3คือกิเลสกรรมวิบากทรงแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมเป็นเหตุส่งวิบากและวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกจึงวนอยู่ดังนี้ในการแสดงนิทัศการไตรภูมิโลก สมุทัยได้จัดงานสังสารวัต์ขึ้นเพื่อชักชวนคนให้เที่ยวชมนิทรรศการไตรปุ่มโลกที่สร้างขึ้นและเมื่อใครได้ชมเข้าแล้วก็ติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไปไปม า, มาไม่ยอมผ่าออกไปสมชื่อของงานว่าสังสารวัตรที่แปลว่าวนเวียนท่องเที่ยวไปชาวจิตตนครได้พากันเข้าไปเที่ยวชมนิทรรศการไตรปุ่มโลกในงานสังสารวัตรที่สมุทยจัดขึ้น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 ชาวจิตตนครไม่มีความสงสัยอย่างที่ชาวโลกเป็นอันมากสงสัยกันว่าวิญญาณจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนจะล้นโลกเพราะได้เห็นนิทัศการไตรภูมิโลกและทุกภูมิมีวิญญาณหรือผู้เกิดอยู่ในภูมินั้นๆ น, น, นับไม่ถ้วนเมื่อเทียบกันเข้าแล้วมนุษย์ภูมิก็เท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าทั้งสิน้น แลทุกวิญญาณไปถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งนั้นสุดแต่จะได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นในภูมิไหนสมุทัไทยภูมิใจในนายช่างทั้งสองและในไตรภูมิโลกที่พระบรมครูทรงเรียกว่าวิบากยิ่งนักและเมื่อได้เห็นชาวจิตนครเกือบทั้งเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียนติดอยู่ในไตรภูมิแน่นขนาดก็ยิ่งร่าเริงเพราะได้เห็นผลสาเร็จ อย่างงดงามของตนบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้จะเปรียบเช่นชาวจิตนครที่พากันท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในไตรภูมิแต่ก็เป็นผู้ที่ทำให้สมุทรไทยวางใจไม่สนิทนักเพราะสมุทรไทยตระหนักดีว่าการบริหารจิตหรือการอบรมจิตตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการที่จะสามารถพาตนให้ดาเนินก้าวหน้า ทางไกลอำนาจของสมุทยออกไปทุกทีจนอาจถึงพ้นจากอำนาจของสมุทยได้โดยสิ้นเชิงในวาระหนึ่งวตะสมุทยมีวิธีทำให้เนื่นช้าคือทำให้หลงวนเวียนอยู่ในวัะทั้ง3คือกิเลสวัะวนคือกิเลส 2. กรรมวัะวนคือกรรม 3. วิปากับวัตตะวนคือวิบากได้แก่ผลความวนนี้ทำให้เกิดเวลาและเวลาก็ดูล่วงไปเร็วทำให้ดูเหมือนไม่เนิ่นช้าถ้าใครดูนาฬิกาจะเห็นว่าเข็มวินาทีเคลื่อนไปเร็วมากแม้วันคืนเดือนปีจะรู้สึกว่าช้าไปโดยลาดับแต่ถ้ามีอะไรทำให้เพลินก็เหมือนดังประเดี๋ยวเดียวใครที่เกิดมามีอายุเท่าไหร่ก็ตามลองนึกดูตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบันจะรู้สึกเหมือนดังผ่านมาแวบเดียวเท่านั้นดังนั้นจะว่านเนิ่นช้าอย่างไรถ้าตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ก็ขอให้มองถึงสัจจะของเวลาว่าเวลาดวงอาทิตย์ทําให้เกิดวันคืนเดือนปีซึ่งรวมเรียกเวลาถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลาความหมุนของโลกนั้นก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเอง จึงเป็นการกลับไปหาจุดเก่าซ้ำๆซักๆแล้วแล้วเล่าๆเช่นเดียวกับเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็กลับไปเช้าสายใหม่เป็นต้นใหม่เวลาที่ล่วงไปล่วงไปจึงไม่ทำให้ใครได้ก้าวหน้าไปข้างไหนคงก้าวไปในความซ้ำๆอยู่นั่นเองเหมือนอย่างเดินเวียนโบสถ์เวียนเมนหรือเหมือนอย่างทากิจวัตรประจาวัน ตื่นนอนขึ้นก็ล้างหน้าบ้วนปากบริโภคอาหารเช้าทำกิจต่างๆบริโภคอาหารมื้อต่อไปทำกิจต่างๆจนถึงนอนหลับไปนึกว่าวันนี้รุ่งขึ้นก็ทำซ้ำกันอีกก็นึกว่าพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเป็นต้นคิดว่าไม่ซ้ำวันเวลากันแต่ความจริงก็ซ้ำๆกันอยู่นั่นเองเพราะโลกก็วนตัวเอง และวนดวงอาทิตย์ซ้ำๆกันอยู่ในที่และวงโครจรเดียวกันอยู่ทุกวันทุกปีเมื่อกล่าวโดยประมัดทุกสัตว์บุคคลตัวตนก็วนเกิดแก่เจ็บตาอยู่แล้วแล้วเล่าๆในไตรภูมิดังที่เรียกว่าสังสารวัตซึ่งเมื่อมองเข้ามาเฉพาะตนในปัจจุบันก็จะพบวัตัดทั้งสามดังกล่าวข้างตน้นนั่นแหละวนอยู่ในใจตลอดเวลา สมุทยได้สร้างมายาต่างๆปิดบังดวงตาปัญญาไม่ให้มองเห็นสัจจะทั้งได้สอดใส่อวิชชาทันหาอุปาทานเข้าไว้ในจิตใจอย่างหนานแน่นทำให้เป็นอาสวนุุัยคือดองสันดานสัตว์นอนจมสันดานสัตว์ในไตรภูมิท่วนหน้าโดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคู่อาสวะความวนอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้นี้เป็นความเนื่อช้าอย่างยิ่ง เป็นความเนื่อช้าที่ไม่รู้ว่าเนื่อช้านึกว่าก้าวหน้าไปเร็วอย่างยิ่งเหมือนอย่างเข็มวินาทีโลกเองถ้ามีวิญญาณจิตใจรู้ก็คงตอบโต้ ว, ว่าก็เราวนอยู่นี่นาจนเราเองก็เบื่อเต็มทีแล้วเวลาเกิดขึ้นจากความวนของเราเองสัตว์โลกทั้งปวงเกิดจากเวลากระบาได้ทั้งเวลาก็กลืนกินตัวเอง พร้อมทั้งสัตว์โลกทั้งปวงไม่มีเหลือเหมือนอย่างยักษ์ใหญ่มาหึมมาอ้าปากกว้างใหญ่ยิ่งกว่าโลกสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วเดินวนตัวเองอยู่เร็วรอบบ้างช้ารอบคือเดินอยู่มากรอบบ้างแต่ถึงจะช้าก็ไม่เกินหนึ่งรอยรอบไปเท่าไหร่นักดังที่เรียกกันว่าอายุเท่านั้นปีก็คือเท่านั้นรอบที่ว่าโลกบนนั่นเอง แล้วก็เข้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไปหมดสิน้นพระบรมครูได้ตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าการย่อมกินสัตว์ที่เกิดมาทั้งหมดพร้อมกับตนเองแต่การไม่อาจกินกรรมและผลของกรรมที่ทุกสัตว์บุคคลตัวตนทำไว้ได้กรรมที่กระทำแล้วย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว บรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กำลังพยายามทำกรรมดีและผลดีสั่งสมไว้ไม่ให้ตัวเองวนหายไปในปากยักษ์ใหญ่คือเวลาจนหมดสิ้นโดยไม่เหลือความดีไว้ข้างหลังเลยมายาเมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่แต่ทุกคนที่อยู่ในโลกหาได้รู้ว่าโลกหมุนว น, นไม่เมื่โลกหมุนวนไปหาจุดเก่า คนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นสำหรับกำบังสัจจะคือความจริงไตรภูมิโลกเองก็เต็มไปด้วยมายาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในของจิตนครก็เต็มไปด้วยมายาเพราะสมุทัยได้ส่งเข้าไปแทรกไว้ทุกขนทุกแห่งทําให้ชาวจิตนครพากันเห็นไปอย่างหนึ่งซึ่งผิดไปจากความจริงตั้งต้นแต่ตื่นนอนเช้าขึ้น ก็มองเห็นดวงตะวันขึ้นโคจรจากทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตกแต่ตามสัจจะที่วิทยาศาสตร์แสดงไว้หาได้เป็นชิ้นั้นใหม่โลกต่างหากโคจรไปรอบดวงอาทิตย์นอกจากนี้สิ่งที่ไกลตาก็เห็นเล็กใกล้ตาก็เห็นใหญ่เช่นดวงตะวันเดือนดาวเห็นดวงเล็กนิดเดียว แต่ตามสัจจะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เสียงต่างๆที่ออกจากปากไปเข้าหูก็เหมือนกันสร้างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้ไม่น้อยทำให้รักกันช่วยกันก็ได้ทำให้เกลียดชังกันตีกันรบกันก็ได้ตามสัจจะก็เป็นสักว่าแต่เสียงเท่านั้นทางจิตใจเองก็ยิ่งเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งต่างๆในโลก ออกมาจากจิตใจก่อนทั้งนั้นสมุทยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่งเรียกว่าโลกธรรมมีอยู่8สิ่งคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญมีสุขและทุกข์อันที่จริงทั้ง8นี้เป็นธรรมคือของสำหรับโลกใครๆที่เกิดมาในโลกก็ต้องพบด้วยกันทั้งนั้น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 โมโหเข้าไปอีกด้วยจึงทำให้โลภอยากได้ในลาบยศสันเสริญสุขอย่างไม่มีอิ่มมีพอและทำให้มีโทสะในเมื่อต้องถูกขัดขวางหรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยัง้งเป็นนั้นว่าทำให้ยิ่งมุ่นสแสวงหากอบกรรมลาบยศสันเสริญสุข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 พระมัวแต่วิ่งมุ่นแย่งล่าผลเป็นต้นกันเสียคล้ายกับคราวบวชนาคเจ้านาคโยนสตางให้ทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันแย่งทานกันชุลมุนสมุทรไทยเห็นดังนั้นก็หัวเราะร่าเริงชอบใจว่าเพียงแต่สตางก็แย่งกันอุตลุดเสู่แล้วเสียแรงเตรียมเครื่องป้องกันไว้มากมายสมุทรไทยยังมีกลวิธดีดีกว่าโยนทานอีกหลายอย่างนะัก สำหรับที่จะหน่วงเหนียวให้ชักช้าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรอบรมสติให้มากเพื่อให้สติเกิดทันเวลาเมื่อความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็จะได้รู้ว่านั่นคือมายาของสมุทัยกําลังล่อให้เป็นไปจะทําให้เนิ่นช้าในการดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นอํานาจของสมุทยัยได้มีบรมสุขอันเป็นสุขแท้จริง ภูเขาวงแหวนขณะที่จิตตนครกําลังเจริญเต็มที่ทั้งความคับขันเกี่ยวกับกองทัพใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็มีเต็มที่ด้วยเหมือนกันแต่ต่างก็คุ้มเชิงกันอยู่มีกระทบกระทั่งกันปราบปรายเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็ระมัดระวังยังไม่ก่อสองครามกันขึ้นต่างพยายามที่จะเอาชนะใจของนครสามี ชาวจิตตนครส่วนใหญ่จึงมองไม่เห็นความตึงเครียดขับขันมองเห็นแต่ความเจริญสมบูรณ์ต่างๆและพากัน ร, รื่นเริงยินดีสนุกสนานนครสามีก็ได้ออกมาร่วมความสนุกสนานรื่นเริงที่ตรงจุดรวมของทางสีแพร่งของเมืองอยู่หนึ่งเนืองในขณะที่พากัน ร, รื่นเริงบันเทิงใจกันอยู่นั้นน้อยคนจะได้สังเกตเห็นสิ่งที่แปลกปรากฏขึ้นในที่สุดลูกตา ห่างไกลจากจิตตนครแต่สิ่งที่แปลกนี้เมื่อมองออกไปจากจินตนครจะพบโดยรอบทั้งสี่ทิศมองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบๆแต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาววงรอบโอบจิตตนครไว้ทุกทิศแต่เดินมามองไม่เห็นมีภูเขาเห็นเป็นที่ราบรอบไปหมดและเรียบไปไกลสุดลูกหูลูกตาทั่วทุกทิศ เช่นเดียวกันแต่ว่าบัดนี้ท้องฟ้าที่เคยมองเห็นโล่งๆโดยอรอบนั้นได้เป็นที่ไม่โล่งเสียแล้วได้มีเทือกเขาโผล่ขึ้นมาโดยอรอบแทนนับว่าเป็นนครที่แปลกประหลาดกว่านครอื่นๆในโลกทีแรกชาวจิตนารก็มิได้สนใจมัวแต่เพลิดเพลินในความเจริญสวยงามของจิตนครและตื่นเต้นในแสายานุภาพของจิตนครดังกล่าวด้วย และภูเขาวงแหวนรอบจิตนาสน์นั้นก็ปรากฏอยู่ห่างมากเหลือเกินมองเห็นอยู่ลิบลสุดลูกตาทั้งก็ดูต่ำเตี้ยนิดเดียวมองเห็นเขียวเขียวเป็นวงล้อมเมืองอยู่แสนไกลทำให้ตื่นเต้นว่าจะเป็นวงรัศมีของจิตนคสนเหมือนอย่างรัศมีของพระจันทร์เมื่อทรงกรดซึ่งทุกคนคงเคยเห็นว่ามีรัศมีเป็นวงล้อมดวงอย่างสวยงาม เจ้าจิตนครจึงได้เกิดสนใจพากันดูทีแรกก็สงสัยว่าเป็นอะไรและปรากฏขึ้นมาอย่างไรแต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้ที่จะเป็นวงรัศมีของเมืองสแสดงว่าบุญวาสนาของเมืองได้เจริญถึงขีดสุดจึงเกิดรัศมีเป็นวงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกรดก็ยิ่งยินดีปรีดาพากันชมเมืองและตนเองว่าเป็นที่หนึ่งในโลก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 เพราะว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับสัตว์บุคคลต่างแต่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเหมือนอย่างประชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกทียิ่งใกล้ก็ยิ่งสูงเงื้อมงมชัดเจนขึ้นจิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขามหืมาค่อยๆกลิ้งเข้ามาหาทั้งสี่ทิศโดยรอบความแปลกประหลาดเหลือเชื่อไม่ใช่มีอยู่เพียงแต่ในจิตตนครเท่านั้น ในชีวิตของเราทุกคนก็มีอยู่ได้พบอยู่แต่ผู้ไม่บริหารจิตจะไม่เข้าใจผู้บริหารจิตเท่านั้นที่จะเข้าใจเพราะผู้บริหารจิตคือผู้มุ่งอบรมปัญญาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงก็ย่อมจกเข้าใจแม้สิ่งแปลกประหลาดที่สุดได้ตามควรแก่ความปฏิบัติสามารถพาตนหลีกพ้นภัยของสิ่งแปลกประหลาดนั้นได้ และสา ม, มารถถือเอาประโยชน์จากสิ่งแปลกประหลาดได้ด้วยเริ่มอาการแปลปรนในจิตตนครในจิตตนครเองก็เริ่มมีอาการแปลปรนบางอย่างเกิดขึ้นผิดแปลกไปกว่าแต่ก่อนเริ่มแต่ถนนสายสำคัญสี่สายของเมืองเริ่มชมรุดไม่ราบเรียบเหมือนแต่แรกเพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นคือแผ่นดินได้สุดลงบางแห่ง น้ำหลากมาท่วมในบางคราวเกิดไฟไหม้ป่าบ้างมีพายุใหญ่เกิดขึ้นบ้างบางทีก็เพราะชาวจิตนครก่อเหตุขึ้นเองเช่นขุดก่นดินเผาป่าหรือวางเพลิงเป็นต้นโดยเหตุที่ไปนิยมเชื่อฟังสมุนร้ายของสมุทัยทั้งหลายระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในก็เริ่มเชื่องช้าลงไม่ว่องไวรวดเร็วเหมือนแต่แรก หัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอกคือหัวหน้าระบบตาเมืองชื่อว่าจักรุประสาทก็มีสายตาหัวเข้าหัวหน้าระบบหูเมืองชื่อโสปตปศาสตรก็มีหูตึงเข้าหัวหน้าระบบจมูกเมืองก็มีจมูกชาเข้าหัวหน้าระบบลิ้นก็มีลิ้นจืดชืดเข้าหัวหน้าระบบกายเมืองก็มีกายอ่อนเพลียเข้า หน้าใหญ่ระบบสื่อสารทั้งหมดชื่อว่ามโนหรือสมองก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้าเป็นเหตุให้ละครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปด้วยจึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรจิตตนครกันอยู่เนืองเนืองเช่นต้องบูรณะถนนสําคัญทั้งสี่สายต้องถมส่วนที่ซุดลงต้องทําเขื่อนกั้นน้ําท่วมหรือสําหรับกั้นน้ําหรือเพื่อใช้น้ําหมุน ให้เกิดพลังงานไฟฟ้าต้องทากังหันลมใหญ่ให้เกิดลมเย็นเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องบุรณะระบบสื่อสารทั้งหลายให้คงดีพร้อมทั้งรักษาหัวหน้าทั้งหลายให้หายจากอาการผิดปกติแต่ความแปรปรวนชำรุดในจิตนคร น, นี้บางอย่างก็บุรณะได้บางอย่างก็บุรณะให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้เช่นความเก่า สิ่งที่เก่าลงไปจะทำให้กลับใหม่ขึ้นอีกหาได้ไหมความแก่เก่านี้ชาวจิตนครเรียกว่าความแก่หรือชาราพากันไม่ชอบแต่บางคนก็ยอมปล่อยแก่ส่วนมากไม่ยอมคือจะต้องต่อสู้กับความแก่อย่างสุดกำลังเครื่องต่อสู้มีต่างๆเช่นเครื่องย้อมเครื่องทาเครื่องตกแต่งต่างๆเพื่อที่จะ อำพรางทําให้เห็นว่าเป็นของใหม่สมุทัยสนับสนุนการต่อสู้นี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้จิตนาการดำรงความงดงามเรียบร้อยมิให้ความแก่หรือชาราปรากฏออกไปภายนอกเมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมืองและความสมบูรณ์อื่นๆปรากฏอยู่แก่หูเมืองเป็นต้นระบบสื่อสารเหล่านี้ก็ส่งเข้าไปยังมโนและถึงนครสามี ทำให้นครสามีเข้าใจว่าทุกๆอย่างยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็นการอัมพรางแต่ก็อยากจะเข้าใจอยากจะเห็นจะฟังจะคิดว่างามว่าสมบูรณ์จึงพอใจที่จะถูกอัมพราง ท, ง, ทงทั้งๆที่รู้เพราะก็สบายตาสบายใจดีเหมือนกันสามัญชนทั่วไปก็ไม่ได้ผิดจากนครสามี คื อ, อยังยินดีที่จะเห็นทุกอย่างงดงามเรียบร้อยบริบูรณ์เสมอไปไม่อยากเห็นความชำรุดสุดโซมหรือที่เรียกว่าความแก่เกิดแก่ตนเกิดแก่ผู้เป็นที่รักของตนจึงพยายามดิ้นรนต่อต้านอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่นี้เป็นไปตามวิสัยของปุถุชนหรือสามัญชนแต่แม้จะยังยินดีพอใจในความงดงามเรียบร้อยอยู่เป็นอันมาก บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็ยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความงดงามจนเกินไปยังปรารถนาที่จะมีสติปัญญารู้เท่าทันความจริงที่ว่าทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สติปัญญารู้ตามความจริงดังกล่าวจะเกิดได้แน่นอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตามควรแก่ความปฏิบัต